เรื่อยมาตามวัดต่างๆเรียกว่าบำเพ็ญกุศลคือถึงงามความดีสำหรับตนจึงเป็นเยื่ยงองย่างมาตั้งแต่ตพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไม่เคยเว้นในการให้ทานทานเป็นรากฐานสำคัญสำหรับหมู่ชนที่อยู่ด้วยกันแม้แต่สัตว์ที่เกี่ยวข้องกันก็อต้องมีทางคือการให้การเสียสละโลกถ้าขาดการ เสียตลาดคือการให้ทานคือความเห็นแก่กันและกันเสียเท่านั้นก็เป็นโลกที่ชุ่มเย็นหรือมีความแน่นหนามันคงสงบร่มเย็นไปไม่ได้เฉะนั้นทานจิงเป็นสิ่งสำคัญมากต่อบุคคลและสัตว์ ท, ทั่วไปที่อยู่ด้วยกันพระพุทธเจ้าก็ ร, ร่าลือในเรื่องการให้ทานยกตัวอย่าง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 ไม่ทรงย่อท้อในการให้ทานมีเป็นเรื่องอย่างของนักปราชญ์จอมปราชญ์ก็คือพระพุทธเจ้ า, าทุกๆพระองค์ท่านสอนเรื่องทานพระหมื่นมาเป็นความจำจำเป็นเป็นพื้นฐานของโลกที่อยู่ด้วยกันเป็นจํานวนมากถ้าขาดทานเสียแม้แต่บ พ, พ่อแม่กับลูกการให้า ท, าทานเสียสละดละความเห็นแตะโตออกเพื่อผู้อื่น มีเดียวกับการให้ทานทานทั้งหลายได้บำเพ็ญมาโดยลําดับําดาตามเยี่ยมย่าง ป, ยงประพฤตมีของพระพุทธจาณและนักปราชญ์ทั้งหลายที่ท่านพาดําเนินมาเหยื่อจุดศูนย์ละทา น, เ ป, นเป็นบุญเป็นกุศลในด้านหนึ่งเจตนาที่พร้อมที่จะเสียสละก่อนนับเริ่มแรกมาตั้งแต่วันดํามิที่ที่จะให้ทานมีทานทั้งหลายก็ได้ทานมาเป็นลําดับหลายวัดหลายว่า และยังจะให้ทานต่อไปอีกจนกระทั่งถึงบ้านถึงเดือนแล้วยังไม่หยุดให้ทานเป็นจิตวัฏัรประจําอยู่ในบ้านในเรือนของตนทานเหล่านี้คือ่าเป็นกุณสมบัตแจ่ตนด้วยเป็นคุณงามความดีเป็นความสุขแก่ตนด้วยแก่ผู้ที่ได้รับด้วยสิ่งของที่เราเสียสนะไปนั้นเป็นประโยชน์แจ่ท่านผู้รับไปจำนวนมากน้อยเพียงใดก็เป็นประโยชน์แจกผู้รับไปมากน้อยเพียงนั้น ส่วนกุศลคุบุญที่เกิดขึ้นจากการเสียสละนั่นเป็นความสุขเป็นบุญกุศลแก่เราเป็นความสุขแก่เรามากน้อยอย่างนั้นเช่นเดียวกันจึงไม่เสียทั้งสองด้านสองทางคือผู้ได้รับจากการให้ทานของเราก็เป็นประโยชน์เป็นความสุขความสบายจากวัตถุสิ่งของที่เราได้เสียสละให้ทานไปเราเองผู้เสียสละซึ่งเป็นตัวการสําคัญก็ได้คุณงามความดีจากการเสียสละที่เรียกว่าบุญกุศล จึงไม่เสียทั้งสองทางเรื่องพระพุทธศาสนาสั่งสอนให้มีความกว้างขวางพระพุทธเจ้าทรงกว้างขวาง ม, ม, มากในโลกธานทั้งสามนี้พระพุทธเจ้าทรงสงเคราะ์ทั้งนั้นไม่ว่าจะสงเคราะห์ในด้านใดที่ควรเป็นไปได้พระองค์ไม่ทรงย่อท้อสงเคราะ์โดยการให้ทานวัตถุจริงของนึสงเคราะห์โดยอัดด้วยธรรมสงเคราะห์โดยพระเมตต า, ส ง, า, าสงสารต่างๆ เรียพระมิตราไปทั่วโลกกับถาประกาศทำสอนโลกมาเป็นเวล า, ลาเฉพาะอย่างยิ่งคือองค์พระศาสด า, า, าของเหล่านี้ได้สงคราโลกมาทั้งด้านวัตถุและนามมาทำเป็นเวลาสีห้าพระพรรษาจึงได้เสด็จรินิพพานต่อจากนั้นก็มีพุทธบริษัททำหน้าที่แทนพระองค์ย้วยมาดังที่เราทั้งหลายได้ทำใระบัตนี้ คือว่าดำเนินตามเยื่องอย่างของพระอริยเจ้าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าที่พาดำเนินมาไม่ขาดวักขาดตอนคุณงามความดีทั้งหลายเหล่านี้นอกจากจะทําให้โลกได้เป็นความสุขความสบายและเป็นที่ชื่นตาชื่นใจแก่ชื่นหูได้แก่แก่ผู้ที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังและได้คิดได้อ่านตามเรื่องความดีทั้งเราที่ เ, ทเสียตลานี้มีแล้วยังเป็นความดีสำหรับเราทั้งปัจจุบันและอนาคตอีกด้วย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 เมื่อทา ง, ทางด้านจิตใจมีศาสนาประจําตนการแสดงออกทางกายทางวาจาความประพฤติต่างๆก็ย่อมมีความสวยงามหรือมีความร่มรื่นไปตาม ก, กันกับทางด้านจิตใจคุณระบุสุดท้ายภายหลังขอจะได้ห่างเหินจากศาสนธรรมซึ่งเป็นของตายตัวคือเป็นคําที่ถูกต้องดีงามที่พระพุทธเจ้าทรงส อ, งสอนว้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 ใครจะว่ามีความรู้ความเฉลียวฉนาดมากน้อยเพียงไรก็ตามซึ่งเป็นไปด้วยอํานาจของกิเลสตัณหาจุดล่าประนั้นย่อมจะหาความจเจริญไม่ได้ทางด้านจิตใจแม้วัตถุสิ่งของจะมีความจเจริญมากน้อยเพียงไรก็ตามแต่ทางด้านจิตใจจะเหี่ยวแห้งยุบย่อลงเป็นลำหนับลำดับหาความสุขไม่เจอเลยทั้งทั้งที่ว่าโลกจเจริญมันจเจริญแต่ด้านวัตถุจะหาความจเจริญทางทจิตใจคือความทุกข์เย็ยนเป็นสุขทางจิใจไม่ได้โลกมันก็ร้อนจีตใจ เราจะยึดไปอยู่อยู่หอประสาทราชมังเพียนเป็นกี่ร้อยกี่พันชั้นก็ตามผู้ที่มีความรุ่มร้อนด้วยกันเช่นนั้นไปอยู่ที่ไหนก็ร้อนไปหมดเช่นเดียวกับคนไข้ที่เป็นไข้หนักหรือไข้เบาไข้ ข, ข, ขนาดไหนก็ตามชื่อว่าขึ้นชื่อว่าคนเป็นไข้ย่อเป็นคนที่ทรมานตนมีความทุกข์ความทรมานจะให้ไปอยู่ในโรงพยาบาลชั้นไหนกี่ร้ยชั้นพันชั้นก็ตามจะจะไปร้องไปคลางไปทรามานตนอยู่ในโรงพยาบาลชั้นนั้นๆโดยหาความสุขไม่ได้นั่นเอง นี่ร่องใจที่หาความเจริญไม่ได้นี่ก็เหมือนกันแม้จะ น, นอนอยู่บนกองเงินกองทองก็ไปร้องไปคางอยู่ที่กองกองทองเพราะเงินกองทองสมบัติเหล่านั้นก็สักแต่ว่าสมบัติจะหาความสุขความเจริญให้แก่คนไม่ได้ถ้าคนไม่ตอบแสวงให้ความสุขความเจริญให้เกิดขึ้นมีแก่แกตนด้วยความเฉลียวฉลาดของตนเพราะฉะนั้นคุณธรรมจึงเป็นช่องทางที่จะยังบุคคลให้มีความสุขทั้งผู้เป็นคนทุกคนมีคนโง่คนฉลาดก็ตาม ถ้ามีคุณธรรมพนาจิตใจแล้วพอจะหาความสุขได้เราอย่าไปหวังว่าความสุขจะมีอยู่เมืองฟ้าเมืองสวรรค์ที่ไหนอย่าเข้าใจว่าความสุขความเจริญใหญ่ไปจะไปอยู่พระทิศพระจันทร์มันอยู่กับบุคคลความทุกข์ก็เผาร้นที่กายใจของคนความสุขก็มีความเจริญรุ่งเรืองนี่มีความสงบร่มเย็นที่กายที่ใจของคนและตักนี้เท่านั้นนี่เป็นสถานที่อยู่แห่งความทุกข์และความสุขไม่อยู่ในสถานที่ใดนอกจากกายกับจิตของสัตว์โลกนี้ การที่จะพื้นตัวให้มีความถูกความสบายตามความมุ่งหมายนั้นต้องฝึกหัดตัดแต่งตามหลักธรรมซึ่งเป็นเสี้ยวคิดทางเดินอันถูกต้องดีางามท่านพระพุทธเจ้าท่นานเย่าหวัสวาคาตธรรมพระองค์ตรัสไว้ชอบแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเหมาะสมแก่การประพฤติปฏิบัติแก่คนทุกท่านทุกวัยผู้มีศีลมีธรรมในใจจึงเป็นผู้สวยงามอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเด็กเด็กก็น่ารักน่าเมตตาสงสารผู้ใหญ่ก็น่าเคารพ บ, บูชา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 เราอยู่ในโลกแห่งกรรมด้วยกันคําว่ากรรมคือการกระทําไม่ว่ามนุษย์และสัตว์จะอยู่เฉยๆไม่ได้เพราะไม่ใช่ตุกตาต้องมีความเคลื่อนไห ว, ไ, หวไปมาทางกายทางวาจาหรือความประพฤติต่างๆหลักพระพุทธศาสนาท่านเรียกว่ากรรมคือการกระทําการกระทําย่อมมีทั้งดีทั้งชั่วสับปนกันอยู่เสมอในบุคคลคนเดียวแม้แต่สัตว์ก็มีการกระทําเช่นเดียวกัน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 พระพุทธศาสนาท่านจึงสอนลงที่กายวาจาใจของมนุษย์ซึ่งเป็นบ่อกเกิดแห่งกรรมทั้งหลายทั้งดีและชั่วท่านสอนลงสิ่งนี้จึงไม่ผิดจากหลักความจริงเมื่อโลกหยุดจากการทาการกระทำเสียเมื่อใดกรรมก็หมดไปเมื่อนั้นและผลของกรรมก็หาความสุขต่อไม่ได้แต่เราทั้งหลายจะปฏิเสธการกระทำไม่ได้แม้แต่ขณะที่เกิดขึ้นมา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 ทำมาบาคลบุญมีหรือไม่มีแล้วก็ทราบในความสุขความทุกข์ที่ปรากุตอยู่กับตัวเราซึ่งเนื่องมาจากกรรมคือการกระทําเนี่ยหลักพระพุทธศาสนาท่านสอนว่าอย่างนี้มีเป็นหลักถูกต้องตายตัวเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้อบรมในทางคุณงามความดีให้เป็นกรรมดีเพื่อจะได้รับผลเป็นที่พึงพอใจในการต่อไป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 ยกระดับสูงนั้นไปเดิมดับเพราะอํานาจแห่งผลแห่งกรรมของตนที่ตนทํานั้นแลเป็นเครื่องยกตนขึ้นมาเองไม่มีผู้อื่นผู้ใดที่จะมีอํานาจวาสนายกบุคคลนั้นให้เป็นอย่างนั้นโยบคุลนี้ให้เป็นนั่นนอกจากกรรมของตนที่ทําแล้วเท่านั้นจะเป็นผู้มีอํานาจวาสนาเหนือตนพระพุทธเจ้าก่อนจะได้เป็นพระพุทธเจ้าก็ทรงบําเพ็ญมาเต็มสติทัศสติกําลังความสามารถตลอดมาเวลาเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาก็ เป็นเพราะอำนาจแห่งคำดีนี้เท่านั้นไม่มีผู้ใดที่จะ ม, มาเสกสรรพระพุทธเจ้าให้เป็นาศาสดาขึ้นมาในโลกนอกจากการกระทําอันดีงามของพระองค์โดยลำดับที่สืบเนื่องกันมาจนกระทั่งมีกําลังความสามารถเต็มที่แ ล, และแกร่ตรัสรู้เป็นาศาสดาเอกของโลกสั่งสอนประชาชนตลอดมาบรรดาสาวกทั้งหลายที่เรากล่วกาวว่าพุทธังธรรมสั้งทางทานังกระถามนี้ก็ดําเนินตามรอยพระบาทที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้วปรากฏเป็นคนทิ่เศศสียดิโสขึ้นมาจากกรคำดีของตนที่ทําอยู่โดยสม่ําเสมอ เมื S <S. <S. ่อกมลีมีกําลังมากก็สามารถสลัดปัดทิ่เลอะออกจากจิตใจกลายเป็นพระรหันต์บุคคลขึ้นมาซึ่งเป็นคนมิเศษดังที่เราได้กราบท่านได้รู้ถึงท่านแบบสารังทังสันนังกระฉามิน่งพุทธทางสนนังกระฉามีก็หมายถึงองค์ศาสนาผู้แต่สรู้แล้วโดยชอบด้วยการประพฤติปฏิบัติอันดีงามทั้งหลายตลอดมา ทำมาังสะนางกระฉามนีก็หมายถึงองค์แห่งธรรมที่บัณฑิพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงได้จัดสรูปค้นพบได้นํามาประกาศสอนโลกเรียกว่าธรรมโมปฏิปมีความสว่างกระจ่างแจ้งอยู่ตลอดเวลาสามครังสนางกระฉามนีก็หมายถึงพระสงฆ์สาวกที่ดําเนินตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าด้วยความดีทั้งหลายจนกลายเป็นผู้บริสุทธิ์พุทโธขึ้นมาภายใน จ, ใจิตใจเป็นชนะของพวกเราทั้งหลายนี่คือท่านผู้เชื่อกรรม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 กุศลคือความเฉลียวฉลาดนั้นเป็นเรื่องของมนุษย์จะสั่งสมขึ้นมาภายในจิตใจของต น, นและกุศล น, นี้แลจะเป็นเครื่องสนับสนุนมนุษย์หรือสัตว์นั้นๆให้ถึงความพ้นทุกข์โดยลำดับได้อักุศลธรรมมาคือความโง่เขลาบาัญญาฝ่าฝืนหลักความจริงทั้งหลายทําไปตามอำเภอใจคือความชอบใจของตนนั่นแลคือความโง่เขลาบาัญญาและจะกดทวงของตน จะกดทวงตนลงไปโดยลําดับในสถานที่ไม่พึงปรารถนาหรือสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาและอกุศลกรรมอันนี้แหละที่ทําด้วยความไม่ฉลาดทําด้วยความกู้เขาว่าปัญญานี้จะเป็นเครื่องทรมานตนเอง <c oughs> ไม่ใช่สิ่งอื่นใดในโลกจะมีอำนาจมากยิ่งกว่ากรรมไม่ดีที่ทําด้วยความไม่ฉลาด <c oughs> นี่จะเป็นเครื่องกดขี่บังคับตนเองน <c oughs> อัปยากตาธรรมาหมาจึงกลับธมันกลางกลางไม่เป็นบาปเป็นบุญ <c oughs> <c oughs> นี่สัตว์โลกก็ทํากันอยู่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 ต้องการสิ่งใดก็ไม่ได้เพราะตนไม่ได้ทําไว้ก็ได้ยินแต่ข่าวเขาข่าวว่าท่านคนนั้นทําคุณงามความดีคนนั้นไปสวรรค์คนนี้ไปนิพพานคนนั้นได้เป็นชั้นนั้นชั้นนี้ได้มีสมบัติพระสถานเงินทองมากมายกายกองก็ได้ยินแต่ข่าวเขาเมื่อเราไม่ทําไว้ข่าวของเราก็ไม่ปรากฏเมื่อเราก็เป็นผู้ทําเองข่าวของเราก็ปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งถึงที่สุดธิมุตพระนิพพานก็เป็นข่าวของเราทั้งนั้นเพราะเราเป็นผู้ทํา จึงพยายามทําข่าวองตนไว้ให้ดียิ่งกว่าข่าวคนอื่นเราอย่าไปสนใจข่าวคนอื่นเรื่องาของข่าวของเราที่มันเคลื่อนไหวไปมาอยู่ภายในจิตใจกายวาจาของตนนี้ผู้ปฏิบัติหรือผู้นับถือพุทธศาสนาจึงควรสนใจในข่าวของตนที่จะเคลื่อนไหวไปในทางใดบ้างหนักในทางใดบ้างพยายามแก้ไขดับแตงในสิ่งที่ไม่ดีและดําเนินในทางที่ดีเสมอจิตใจของเราจะ ม, มีความชุ่มเย็นร่มเย็นเป็นสุข หรือในโลกนี้ก็ร่มเย็นไปโลกหน้าก็ร่มเย็นเพราะการไปนี่เราพร้อมเสมอที่จะไปเพราะเราพร้อมในการมาแล้วมาเกิดครอบพร้อมแล้วถึงได้เกิดเกิดแล้วพร้อมแล้วที่จะได้อยู่ดังที่มีชีวิตครองตัวอยู่นี้เมื่อหมดความสามารถในอันตภาพนี้แล้วเราพร้อมแล้วที่จะไปเราจะไปโลกใดก็ตามอันนั้นถึงเราไม่ถามก็ตามเรื่องวิบากกรรมจะเป็นผู้นาไปเอง เราให้ดีเพียงคน้นคว้าในพลังามความดีเพื่อให้เป็นวิหวากอันดีเป็นเครื่องติดตามเราเราจะได้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองทั้งโลกนี้และโลกหนาการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรจะเวลาจึงขอยุติเพียงเท่านี้ขอท่านพุตศาสนิขชนทั้งหลายที่มาด้วยความเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างจงได้นําปัจพนิพิัฒนาและอํานาจทางกุศล ท, ทั้งหลายที่ท่านได้บำเพ็ญในวันนี้จงสมบูรณ์ในท่านทั้งหลายทุกประการขอยุตติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้เอวัง ปูราปะเรปูเรนติสากรังเอวะเมวะอิตโตกินนางเปตานางอุปกปติอิชิตังปฏิตังสุมหังคิปเมวสมิชาตูสเพปูเรนตูสังกะปาจานโทปนะระโสยถามนิโชติระโสยทัสพีติโยวิวาชานตูสัพะโรโค วินาศตุมาเตภวัตมันตรายโสขีทีคายยโกภะอภิวาทนาสีริตะมิจังวุธาปจายโนจตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลาังสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสร้างคานุภาเวนะ พุทธรัตัณังธรมรมัตัณังสังขารตัณห์จินตัณหตนานังอานุภาเวนะจตุราสีติสหสธรรมขันธานุภาเวนะปิตกะติยานุภาเวนะจินตสาวกานุภาเวนะสัพเพเตโรคาสัพเพเตพยาสัพเพเตอันตรายาสัพเพเตอุปัถฐวาสัพเพเตทุทนิมิตาสัพเพเตอวัมังคาราวินาศสันตุ อายุวัตถกาธนวัตถกาสิริวัตถกายะสวัตถกาภลวัตถกาวันณวัตถกาสุขวัตถกาหนตุสปะทาทุคโรอคพยาเวราโซกาสตุจุปัตวาอเนกาอันตรายาปิอินัสสันตุจเตชะสาชยาสิทธิธนังลาพังโสติภากย่างสุขังพลังสิริอายุจวันโนจ โพคังวุฒิจยศวะสตวศาจะอายุจะชีวาสิทธิพวันตุเตทวตุสัพพมังขลังอรหันตุสาะเทวตาสัพพุทานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสรังขานุภาเวนะ ส, าสัาพสทีภาวันตุเต <c oughs> ที่เราการที่ให้คนอื่นนะฮะที่ความที่ท่านให้ก่อนอีนะฮะจะต้องขวดน้ำด้วยน้ําหรือเปล่าเพืจะได้พรถ้ า, าหลักกรรมนี้แล้วเราก็ไม่เราไม่ขวดน้ํามันก็ได้เช่นคนทาขั่วนี่ไม่ต้องขวดน้ำเพราะคนขั่วมันก็ได้ชั่วให้คนอื่น การทําดีก็เราไม่สวดน้ํามันก็ไม่น่ามันก็ไม่น่าจะผิดนะมันต้องได้มันต้องได้คนดีต้องได้ความดีดเสมอการสวดน้ำมาคนอื่นท่านก็พูดไว้ในหลักธรรมแต่ไม่วขวดก็ไม่ผิดอุทิศทางน้ําใจคือเราอุทิศหมายถึงว่าเจาะตรงแก่คนนั้นคนนั้นหรือสัตพวกไหนจําพวกไหนก็ตามก็เป็นเจาะตรงอุทิศอุทิศสามแปลว่าเจาะตรงเราสวดทางน้ําใจก็ได้ ทำมีหลายขั้นอาจารย์ก็มีตะกู่นทางนะครับไม่ได้ตรวจน้ํานั่นเองแต่ว่าการทําพประโยช์ใจโลกทําไม่หยุดแต่ไม่ตรวจน้ําถ้าผิดก็ผิดมากที่สุดอาจารย์เขามีทำไม่หยุดทําบางคืนจนนอนก็ไม่หลับแต่ไม่ได้ตรวจน้ำสักทีไม่ทราบเลยถ้าผิดก็ผิดมากแต่แน่ใจว่าไม่ผิดการดับการตรวจน้ํำก็การไม่ตรวจก็ไม่ผิด เพราะมันเป็นคำบนระพันระันคือระพนขึ้นไถ้าเที่แน่ใจแล้วเร า, า, าจะม่เกิดกระด้าเพราะทธรรมะอรเงี้ยอนุพิษคาพฤิกรสแสดงธรรมขึ้นไปโดยลดับลับอนุพิษคาหมายขึการสแสดงธรรมขึ้นไปโดยลำดับตั้งแต่ธรรมขั้นตํขนาขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปโไปไปขึ้นไปรืยถึงธรรมขั้นสูดนะครับการตรวน้า น, นี่ก็เป็นคำเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นขั้นเลย นี่การถามก็ขั่วประโยชน์จากผู้ฟังทั้งหลายและเข้าใจกันในการตรงนี้ต่อบพันทีแม่เข้าใจกันส่วนน้ําธรรมดาก็มีสวดทางน้ําใจก็มีน้ําธรรมดาก็ต้องมีน้ําใจเป็นเ่องประกอบถ้าเป็นเพียงเท่น้ําแคบๆน้ําใจไม่มีก็ไม่เกิดเพราะนี่เป็นพยานของน้ําใจการส่วนน้ํานี่เป็นพยานของน้ําใจว่าแล้วได้ทําอย่างนี้เมีลมสาคัญอยู่มากในที่นักในน้าใจขอกระทำโทษครับ คือเวลากวดน้ำนะฮะเขาเห็นว่ากวดน้ํำภาษา บ, บาลีผมว่าผมจำภาษาบาลีได้ผมูดภาษาไทยผมห น, ขขนึ่งใจเกิดข้ขออุปทานก็ท่าใจมีภาษาเดียวแล้วนั่นแหะอุทิศต่อผู้ใดก็เป็นอันอุทิศเป็นทู้ ม, มุ่งแล้ว<อ>ใจมีภาษาเดียวภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาบาลีก็เป็นมีภาษาหนึ่งภาษาหนึ่งหนึ่งนะแต่ภาษาใจเนี่มันมุ่งจดเฉพาะเช่นถึงคนไหนที่เป็นภาษาเดียวมันชัดเจนแล้ว ได้แล้วเลื่อนได้มุ่งตอบคนนั่งคนนั้นนด้หิเทปยังเปิดอยู่เลยยังอัดอยู่เลยเนี่ยอัดอัดไปเรื่อกก็ได้ปัญหาขึ้นเรื่อยตอบไปเรื่อยกันนะต้องปิดเมื่อตอบจบแน่แน่ใจครับกรรมที่เราทำเมื่อตอนที่เรายังไม่เชื่อผลนห่งกรรมเนี่ย เมื่อสมัยเรายังเป็นเด็กไม่ได้สื่อสาเนี่ยนะเราควรจะทําอะไรตอบแทนสิ่งที่เราเคยทําไปแล้ ว, วเราก็เราก็ทําดีตอบที่เราเป็นผู้ใหญ่เราทําดีได้นะตอนเราทําไม่ดีในะตอนเป็นเด็กแล้วก็เป็นผู้ใหญ่เราเราประทำดีตอบเด็กจรนี่เด็กเวลาเด็กมันโง่ผู้ใหญ่ขึ้นมามันฉลาด ก, ก็แก้กันตรงนั้นที่เข้าใจมไหมละ่ะอืเห็นแล้วเข้าใจนะอแต่จะให้การผู้ใหญ่ก็ได้ยิ่งโง่งไปนะ ผิดตรงนี้มันแก้กันไม่ได้มันจะเพิ่มแต่มันไม่ลบล้างกันนะถ้าว่าเรื่องลบล้างหน้าก็มีลบล้างไม่ได้ก็มีถ้าว่าลบล้างมาได้กั น, กนเฉยๆแลว้วพระพุทธเจ้าจะบริสุทธิ์ไม่ได้เพราะเกิดขึ้นมาในท่ามกลางเหตุกิเลสทั้งหลายนะทีนี้นี้ไม่ใช่ของดีกิเลสเป็นของชั่วทั้งนั้นถ้าว่าลบล้างมาได้แล้วพระพุทธเจ้าแลาว้วกับพวกนั้นจะเกิดขึ้นมาไม่ได้นะ แต่ส่วนที่มันจะปีกย้อยมาตามท่าตามขันนั้นยันเป็นไปได้เช่นชาตนี้เราเคยทานั้นเนื้อใจจะบริสุทธิ์แล้วก็ตามลบล้างไปแลนะ้วภายในจิตใจนะแต่ทั้งท่าทั้งขันมันยังติดตามมันได้อยู่ก็มีแต่มันได้จะทำเปลือกเมืองเท่านั้นตูวเมืองจริงไม่ได้เห็นอย่างระพุทธเจ้ายังมีเหรืออะครับ คือกรรมชั่วเนี่ยนะฮะอย่างี่ว่เราทําไปโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเราไม่เราไม้สร้างเลยจริงๆว่าเราได้ทํากรรมชั่วลงไปแต่พอทําลงไปแล้วนะกะรทาที้ทําลงไปแล้วทัว้คนอื่นจะรอดทัง้งอะไรกับอะไรเราก็ลองนึกสำนึกผิดในนั้นนะสำนึกผิดในนั้นเราพร้อมที่จะจะให้เขาเอาไปจับไปแต่หัโกหกแหงอะไรก็แล้วแต่น ะ, ะอันนั้นจะถือว่าเป็นกรารรบกวนกรรมชั่วดีเราใช่ถือว่าเป็นการแก้กันเป็นการถูกต้องแล้ว่านั ไม่ทราบอยูด น, นี้แค่ยี่หรือแค่หนั่นมันเฉยงัพเงนะใครยังมีแัดเทมเป็นคนเครื่งหนึ่งไปแล้วรือเนี่ยหายเงียไปแล้วรือเนี่ยนม่เออเปลดมาวางไว้ตรงนี้ กนแล้วเหรอฮะงานนี่จะเทพเต็มไปหมดอัดตรงนี้ทำดีๆ น, นั่ อ, อัดตรงนี้ดีนี่จะอัดตรงโน้นอัดตรงโน้นแล้วแม่มาอัดตรงนี้ก็สี่อัดเตรงนี้มีอะไรอีกอะ่ะ <c oughs> นี่จะเคลียร์กันมากนะ <c oughs> น, นะฮะเออําที่พูดกันว่าเจาเบื้องจะเพื่องฟูลอยนั้นเต้าน้อยจะถอยจงเนจะเอาหลักกรรมมาคิดารณาฮะเกี่ยวกับฟูนั้นหมายก็มกั่งไอ้บ้าไปใช่ไหมายบากประมายก็เบื้องก่อนคนชั่วจะได้ดีคนดีจะได้ชั่วยความไม่ดีคนี่คนชั่วเขาจะได้ดีได้ยังไงเราว่าสิ ว่าเ่อคนชัวจะได้ดีก็ได้ยังไงเรื่องคนดีก็ได้ช่วยได้ยังไงเอาว่าให้การฟังก่อนตอนนี้ยังไม่แก่ก็ทำคำที่ว่ากระเบื้องจะเฟื่องฟูลอยมันก็คือมันสิ่งที่งเป็นไปไม่ได้ฮล้วนั้นเต้าน้อยจะขอยโจมก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าทําไมมันถึงเกิดขึ้นในเหตุการณ์ประจุบันงมันเป็นไปไม่ได้งั้นหลักของกรรมก็เป็นไปไม่ได้เช่นเดียวกันทํําาดีจะได้ช่วยนี่มันเป็นไปไม่ได้ทาเพื่อจะได้ดีนี่เป็นไปไม่ได้ อืออย่างนี้ครับคนเข้ า, าในสมัยในในในสังคมของไนี้นะฮะก็ออบอกว่าไอคนที่มันทาความเร็วนี่นะฮะรวยครับในก็คือว่าความดีในโลกนี้ใช่ไ้มฮะทีนี้ว่าคนที่ทาความดีชื่อัดสิทมาใส่โกก็ไม่โกงนก็ไม่จีนก็จนอย่งนั้กน ก, ก็เป็นโงงนัสิทธิอย่างไร้นาดันก็เป็นเข้าใจ ถ้างนั้นเกิดสมมติว่าเด้วยกันเนี่ยเราต้องการความรวนเนี่ยเข้าไปต้นมะกรูดอนเนี่ยอาจารย์เป็นหัวหน้านี้่จะว่าอาจารย์ดีไหมล่ะอาจารย์ทะลุสิ่งเก้า้นในมะกรูดอนเนี่ยเพราะเราเวลานี้เราจนจะได้เงินมากแล้วไปต้ น, นมะมะกรดอ น, นี้ทั้งเมืองเลยล่ะแล้วเราบิยเงินเข้ามานี่อาจารย์มหาบัวนี้จะมีชื่อเสียงโด่งดังไหมว่าอาจารย์มหาบัวดีมากทะลุสิ่งต้นได้ฮะ ที่ได้ครับอันนั้นมันชัดเกินไปครับต้องให้มันชัดต้องให้มันชัดนีเราต้องให้มันชัดอย่างนี้มันให้ชัดก็ถามกันไม่ได้นใช่ไหมการที่เาโกงเาโกงอย่างแมีโกงก็ทราบว่ามันโกงอยู่แล้วมันอ่าจะมันเอาอะไรมาดีมันโกงอยู่แล้วูกัมันโกงอยู่แล้วอาจารย์ชาวย์ก็ทราบอาจารย์มาลอยู่แล้วมันตรงไหนไม่แจ้งงไหนมันแจ้งที่ดูมันเหมือนกันนี่เราพูดตามความจริง โกงเขาก็ชาวประมงอยูแล้วได้เงินมาตั้งล้านก็ร้านได้มาด้วยความโกงมันจะดีอะไรนั่นนั่นแหะมันดีแล้วหรืออย่างนั้นถ้าดีก็สอนมันให้โกงกันทั้งโลกนี่เป็นไรโลกอีกจะได้เจริญเอาคนนั้นพังนั้นคนเรานี่ฆ่ากันโกงกันเดียวนี่จะเจริญไหมล่ะโกงๆมันมันมัตัวอย่างไงครับเราถว่านั่นแหละตัวอย่างนั่นแหละอย่างคนที่อยู่ด้วยกันนี่นะครับอย่างคนที่ทํางานราชการงานบางอยู่ด้วยกันเนี่ยคนนึงเนี่ยประจกทอคลอถือว่าเป็นเป็นเป็นจำไม่ดีใช่ไหมเป็นอั มันก็ไม่ดีแล้วแต่นะที่บอกว่าเขาก็ก้าวหน้าไปกล้าหน้าโดยความซอฟพอนั่นแล้วแน่มันจะก้าวไปไหนมันกล้าโดยความซอเพอร์มันจะก้าวไปไหนมันขึ้นฟากเมฆมันก็ไปโดยความสอฟพร์แน่มันจะเลยปฏิปจัมป์มันก็โดยความซอฟเพอมันเขาก็เขาก็ท้อถอยอะครับมันท้อถอยอะครับคือบางคนเราเรายังไม่ถึงคล้ายๆแบบเราคิดว่า มันรอดไวไม่ไม่อยากจะทําความดีแหละอยากจะบรรจุต่ออแต่ก็ทําไม่ได้เพราะว่าไอ้จิตเดิมมันไม่เป็นอย่างนั้นแตอย่างนั้นอาจารย์ก็เหมือนกันถ้าอจารอาจารย์สอพออาจารย์มันสอพอจะจนจะจนแบบหลงตาบัวดีกว่าเนอะหงตาบัวจะอยู่อย่างนี้แหละสอพอไม่เป็นถ้าจะว่าหลงตาบัวชั่วก็ชั่วไปหลงตาบัวจะอยู่แบบนี้ก็นี้ความจริงมันเป็นอย่างนี้นั่นเรื่องของโลกมันอนิยายมาได้เรื่องของกิเลสมันมีเล่มีเดียมมีทุกอย่างเราจะเอามาเป็นแบบฉบับไม่ได้ นั่นไม่ใช่แบบฉบับแบบฉบับที่จริงคือหลักธรรมที่จะโลกเขามีความร่มเยนการโค่นการโกงการรีดกันถ่กันมันดีเมื่อไหร่มันเดือดร้อนจะตายผู้เดือดร้อนมันดีแล้วเหรืออย่างนั้นคนหนึ่งว่าตัวดีคนหนึ่งว่าเดือดร้อนนั่นมันดีแล้วหรอนั่นมันไม่ดีมันไม่ถูกมันก็ไม่ดีอย่างนั้นเข้าใจแล้วเหรอมันดีเวลาตอบกัถามก็ไม่ได้คําตอบหรือไม่ถามก็ไม่คําตอบเนี่ยว่าไงเราเป็นนักกีฬาป้าดกันลงไปเลยอาจารย์ไม่ว่าอะไรเอา แต่เวลาเสียงมันดังขึ้นบ้างก็จะกระวนะระวังนะคับเวลาฟ้ามันไม่มันไม่มีเสียงฟ้ามันฝนก็ไม่ตกมันต้องกระหึ่มกระหึ่มบ้างเปี้ยงนู <y> ่นเปี้ยงนี่แล้วฝนตกมาบางทีมันอาจเย็นใช่ไหมล่ะเออเหตุการณ์ปัจจุบันนะครับอาจารย์มันทําให้เราเห็นตัวอย่างที่มันมันไม่เหมือนกับําตังสอนนะฮะไม่ใช่ว่าคำตังสอนไม่ถูกนะฮะคุณต้นว่า คนที่มีการศึกษาดีมีเงินมีทรัพย์ร่ำรวยเนี่ยมักจะไม่สนใจในศาสนานะถือถือนิดเดียวว่าทำไม่ทังคนอื่นเดือดร้อนสพอ พ, อพอใจแล้วเนี่ยพื้นฐานของเ้าที่เกิดมาร่ำรวย <c oughs> เกิดมามีสติปัญญาสูงเนี่ยแสดงว่าพื้นฐานเดิมเขาดีใคล้ๆกับเรา ใช่เขาอยู่ตึกเมื่อก่อนได้ความมาพื้นฐานที่สมบัติเขได้มาเขาได้มาด้วยวิธีใดคือขึ้นว่าพ่อแม่ร่ํารวยมาอ๋อร่ำรวยมาเป็นอ๋อนั่งกยายเป็นพื้นฐานในส่วนนั้นของเขาดีเสียถ้าเขาไม่ทําต่ออันนั้นมันก็ไม่ต่อเข้าใจเหรือในส่วนถ้ามันดีมันก็ดีส่วนไม่ต่อมก็ไม่ต่ออยู่นั่นแหละครับมัน่าแปลกที่ว่าแปลกตไหน เมื่อมีกรรมดีมาแล้วมันก็น่าจะต่อไปได้เหมืนกับเรืบินที่มันวิ่งวิ่งมาด้วยไอพ่นมันก็น่าจะวิ่งไปได้ถ้าเวลามันหมดไอพ่นมันตกไหมเลือบินน่ะเวลามันไอพ่นมันมีมันตกก็ไม่พูดกันบ้างเบื้องเรือตกมีแต่มันพุ่งกระแทกเดียวเวลามันตกมันยังมีเนี่ยเขว่ากันบ้างบัางทีตอนที่คนจะว่ามีอยู่ไม่พูดนี่มันแปลกใจมันแปลกตรงไหนเวลามันหมดไอพ่นมันตกแล้วมันแปลกอะไรไอคนนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมเวลามันไม่มีที่ต่อมันก็ตกได้ อ้าเข้าใจแต่ละว่าแต่มันพุ่งพุ่งพอเวลามันตกไม่พูดอันนี้ก็เวลาเขพุ่งพุ่งเขาพุ่งไปนะถ้าไม่ต่อมันไม่มน้ำมันมันหมดน้ํามันก็ตกได้เหมือนกันแหละเพราะงั้นเราจึงเพิ่มน้ามันเรื่อยๆนะถ้าไม่อยากให้ราบินเราตกให้เพิมน้ํามันเรื่อยๆนะมันจะป่อนผลัน้อนมันไปเรื่อยๆแหละแต่แปลกใจว่าทําไม กรรมีมันคือมันหมดเอาแค่ในอ้าวมันหมดไปหมดได้ในโลกอนิจจังอยู่ในโลกอนิจจังต้องหมดได้ด้วยกันดีก็หมดได้ถ้าไม่ต่อกินอยู่เสมอเหมือมันก็หมดได้ชั่วมันก็หมดได้แต่ว่าไงมันไม่หมดจริงๆตั้งแต่พ้นจากสมมุตินี้แล้วอย่างพระอรหันต์ท่านอนั้นท่านไม่หมดท่านไม่มีท่านไม่หมดนั่นคือมันพ้นจากสมมุติแล้วอนั้นท่านอยู่ในกฎของสมมุดนี้แลอย่งไรมันก็ต้องเป็นลุุ่่มนอนอยู่นั้นเสมอแต่ยังไงก็ตามขอให้ดี พยายามสร้างดีไว้จนกระทั่งมันสามารถที่จะพ้นไปได้ความบีนเท่านั้นที่จะทำให้พ้นไปได้นี่เข้าใจโลกอนิจจังอันนึ่งสอนเสมอดีก็เป็นอนิจจังชั่วก็เป็นอ น, นีจจังเพราะมันอยู่ในโลกอนิจจังแต่อนี้จังมันต่างกันกคือความชั่วเกิดขึ้นมานิดนึงก็ต า, ามมันก็ไม่อยากให้เกิดใช่ไหย เออความดีอยากให้เกิดเพราะสร้างความดีให้ความดีให้หนุนกันไปเรื่อยๆอย่างพระพุทธจ้าและสาวกทั้งหลายที่เป็นวิิสัยศรนออกจากความดีทั้งนั้นหนุนกันไปจนกระทั่งพ้นไปได้ความชั่วไม่มีทางพ้นมีแต่ทางจมเรื่อยๆเอากรงนี้ทำไมเออสิทธิสุดท้ายของพระพุทธเจ้ามันเป็นเหมือนไอพ่นเห็นไม่เด็ต้วิ่งไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงถึงวันที่พัง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 นี่แล้วมันก็หมดปัญหาที่เราจะพูดที่เราพูดทีนี้ เ, เราพูดเรื่องอ น, นิจจังต่างานี่คใช่ป่ะครับอีกอีกอันนึงเรื่องอนัตตาเนี่ยนะอืมอนัตตาเยังไงคือถ้าเือมันเป็นของที่นอกกายแล้วก็มไม่ใช่ของที่เรารักใช่มากมันก็นึกออกว่าอันนี้มัอนัตตามันจะสูญหายจะพังก็ไม่ค่จะว่าแต่นี่มันยิ่กล้ชิดตัวก็มาเป็นของที่เรารักมากทำาายังไ ง, าางที่จะ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 ถ้าพยายามวข้างนอกข้างในมันตัดได้ทั้นั้นถ้าตัดไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่สอนเพราะทำนี้เป็นสกขาทำตราไม้ชอบแล้วทรงรู้ทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างทั้งภายนอกภายในตัดได้ทั้งภายนอกภายในแล้วถึงนมาสอนโลกหนะักของเราตัดไม่ได้แต่จะให้ขาดใช่ไหมล่้เนาะไม่ได้กนะินแต่จะให้อิม่มท่ายโย่มันก็ไม่อิม่มครับในอย่างนี้นะฮะให้การนะตาว ก็ค ว, ว่าในโลกของเราทุกวันนี้องวงสังคมอย่างนี้นะฮะถ้าทุกคนเราเนี่ยนะฮะหมายว่าไม่ไมทำแบบคขาสใ่หือไม่สนใจใครจะมาเอาอะไรกันบ้านเมืองเราจะเจอเลยยางไงครัอันนี้ผมอยู่ในโลกเพียโลกเพียนะฮะไม่ใช่โลกระดับนีไปนะครแล้วลองทำก <c oughs> ันบ้างเหรอหือล่ะได้บอกได้ลองทำกันทุกคนลเลยหรือคือว่าทุกคนนะทาเป็นอย่างนั้นแล้วบ้านเมืองเรา ไม่สนใจอะไรเลยในบ้า น, นเราจะเจริญไหมเราได้ทำกันบ้างแล้วยังก็คิดว่าถ้าทำมันกคงจะไม่เคยเลยอย่าไปตามภาษาผมนะครับใช่งั้นก็ไม่ควรจะตอบตามภาษานะใช่ไหม <laughs> ต่ถามธรรมายเฉยก็ใชายตอบทรราามาสยตอบไม่ได้จึงของดอันนี้ไม่ตอบม <laughs> ีเป็นการตอบแล้วเนี่ยหรือง มันตอบแล้วนั่นนี่นะอย่าเข้าใจว่าไม่ตอบตอบแล้วบางคนจะไม่เข้าใจว่าถ้าไม่ตอบต่างคนต่างจะให้เฉยไป้งหมดถ้าต่างคนต่างให้เฉยหมดแต่มันยังไม่สฉยถ้าจะเอาผลมาแล้วเนี่ยเราก็ตอบไม่ได้ที่ผมยังไม่มีผลต้องตามมาตามเหตุมานะ อตไม่นี่เหเ็นยังไม่มีเลยตอบผลก่อนแล้วมันตอบไม่ได้เพราะจริงก็เนี่ยคือการตอบแล้วนั่นเองยังไงหมดปัญหาแล้วที่จะพักนอนกันนะเจ็บนี้กําลังขนาดนี้กําลังนอนกําลังชิมถ้านอนก็ล่มเกราะเลยถึงหมอนไม่ถึงช่างก็ตืเลยค่ณเช้าคอยควาหากันถ้าจับคว้านะรา น, นี้เอาจริงๆหลับคล้อเลยมีอะไรอีกอะ มีปัญหาอีกไหมอาจารย์ที่สาวว่าไงฟังตามพุทธประวัติท่านก็ทาความงามความดีไปเยอะครับแต่ทาไมท่านถึงมีเรื่องไม่ดีหนักกว่าเราอย่างคนธรรมดาเยอะครับสมมติว่ามีพระเจ้าทัดมากิ่นถินลงมาจะกเขาเจอองค์พนทน อ๋อที่ดูบางทีลราเดินกนต่างยุงมันยังกัดเราเรายังมันยังไม่เห็นเราหวาดหวานาเลยไม่เห็นขาลยดูกตามภาษาดคนทั่วกบตามภาษาคนทั่วใช่ไหมเล็กน้อยสิเป็นแยะนะเกียวกับพระพุทธเจ้าอย่างพระุทธเจ้าท่านทความดีมากเราไม่จ s <S ับ pues ีนูมีพันท er ่าแล้วท่านยังมีสิ่งหลายประเภทนั้นมาเกี่ยวข้องด้วยอย่างเรา ถ้าเือว่าเปรียบเทียบเรามีเราทำทด้วยนี้เดียวผมนีเราไม่อยากเปนผู้ริเจ้าน่นานะแ ต, แต่เราเรานั่งคอนายยุงยนกัดเราได้ยตัวเล็กๆเนยมันมากัดเราได้ไม่ต้องพูดถึงใหญ่เพราะเราเป็นคนเล็กน้อยไม่หนุนผูริเจ้ายุงมันยังไมไ่ว่าเอ๊ะมีท่านต่างคนานามไ่เห็นว่ า, วามันยังกัดได้มีเรื่องของยุงเป็นอย่างนั้นเข้าใจไหมล่ะแต่ของเหลือของอยุงมากัดเราไม่เคยจนั่งอยู่ที่ยืนอยู่โดยมีมานี้มุดมัก็มากัดเราได้เข้าใจเหมะ มันทำามมันยิกัดม <abs> ันเรื you ่องของมดมันเรื่องของยุงอันนี้มันเรื่องของเราที่เราจะทําดีของเราก็ทําด้วยไปอย่างยิ่งเจ้าใจะว่าแล้วก็เฉยใครจะทำมีตีโทษใครจะมาผูกพยาบาทอาภาษพระองค์ก็เฉยเรื่องพระองค์พอเมื่ออย่างเราเดินยุ่งกรมนั่งสมาธิภาวนายุงกัดก็เฉยมดะกัดเมื่อกัดกัดก็เฉยเจ็บออกเที้ยวอากานเก็บมากก็มันออกเคี้ยก็เดินยุ่งกรมของเราไปถาว่าเรานี้เราเดินยุ่งกรมนั่งสมาที่แค่ทำามายุงมากัดเราเราอยู่สบายทีจะดีกว่ามันก็ไม่ดี เนี่ยผู้เชี่ยวชาญขาจะเขามาทำงานผู้เจ้ายอยู่เสียในผู้เช่เาเป็นผู้เดียวไม่ได้วางเรื่องคนทั่วเราประมาทไม่ได้อย่างที่อาจารย์ว่าเราเป็นคนดีเรามีขอบเขตเรามีประมาทล้าก็ทํางเราไปเขาจถ้าจะมาเข้าใจถามอีกเรื่องกรรมเรื่องเวรมันมีทั่วไปเราไม่มีขึ้นสุด สา้เจ sí yeah, yeah. mm ้ากรมีกรรมมันดูคล้ายๆ่ว่าท่านมีกรรมเหลืออี่เยอะแยะนี้กรรมส่วนทางอาจารย์ว่าเน่เรื่องมีบาตกรรมที่มันเกี่ยวกับส่วนร่างกายมันมีได้อย่างอาจารย์ว่านะส่วนคำวิสูจนั้นมันมีอะไรที่จะติดการมได้เลยส่วนกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องนี้บาตกรมีทาไม่ได้หย่งผูเจ้าอาจารย์ก็พูดแล้วทีผู้เจ้าของเราถ้าเชื่อวทฒนนี่อย่างนี้เป็นต้นถ้าสมัยโน้นสมัยผูกอาฆากันอะไร ริ่มแรกขายเครื่อ ง, งประดับปวกใช้สอยส่ อ, ยสองวานอะไรไปพอแต่เขาผู้ชอบเป็นคนดีมามีเป็ดีม า, ม า, ม า, ม า, มาทั้งหมน่บ เ, เป็นคนซื่อสัตย์ซืจริตพระเทวทัตท่า น, นเป็นเพื่อนเป็นเพื่หายกันนี่เข้าไปในหมู่บ้านเนี่ยพรเทวทัท่านไปก่อนมีเริ่มแรกที่ต่อเพลินกันนะเนี่ย <c oughs> เปิดเบื้องต้นหมดแล้วห <c oughs> น, นี่ <c oughs> ของใครละ่ะทีนี้พอเอาเครื่องประดับติดต่ำต่างๆไปขายแล้วก็มียายคนหนึ่งเับหลานไม่มีเงินเป็นคนจนแล้วมีถาดทองคําถ่านหนึ่งเก่าเป็นเป็นสนิมจับเกลางหมดแต่ไม่ใจะสนินมมนวนทองคํานะสนิมที่ว่าตกกระโปกงได้พูดง <c oughs> ่ายก็แม่ไม่มีอะไรแต่อยากได้เครื่องประดับนี้ให้หลาน แล้วแม่มีขาดใบาเดียวเนี่ยจะให้แม่ทอะไรก็แม่ก็ไม่ว่าแตแม่ขอเอาถานนี้เปลี่ยนลูกเห็นว่าไงแล้วท่านนี้พอมองเห็นพระเทวทัาต น, นะพอมองเห็นเขโอ้โหมันขาดทองคำโอ้ยของอย่างนี้เกาไปยังไงของเก่าแก่มาตั้งแต่ไหนก็ไม่รู้นี่มันใชาไม่ได้ว่างงั้นนะแล้วใจก็มีความกรอยู่แล้วเป็นไงเราต้องมีหวังเราเรไปขายของที่อื่นไก่อนแล้วที่กลับมา พอดีพระผู้เจ้าขงเรานี่ก็เป็นพ่อ้าเหมือนกันก็ไปขายแบบเดียวกันนล้วแหละไปพอไปเห็นเนื้อยาเขานั้นก็มาหาอย่างว่านีน่โอ้โหคุณแม่ของนี่มันของมาตั้งแต่ดั้งเดิมนี่ถา่นี้เป็นถาทองคําราคาทั้งหมดที่ของพวกลูกเอามาเนี่ยมันก็ไม่เท่ากันกับนี้ของนี่มีคุณค่ามากมีราคามากถ้าคุณแม่จะเอาก็ก็ไม่ว่าจะยกจะยกให้หมดนี่ก็ยังไม่พอกับค่าของทองคําในถา ข, าของแม่นี้ เไม่อะไรว่าวางัหนเลยแล้วยกขานให้เลยพแล้วก็ยกให้ของให้ทั้งหมดเลยแล้วก็ไปพอเขาเทวถ้าแต่ขายของหมดแล้วกลับมาจะมาเอาถาดที่ไหนได้คนเนี้เอาไปแล้วนั่นหลับผูกอาคาตของนั่นอ๋อกำตัวเวงกันมาตั้งอยูบบนั้นเรื่องเนี้ยเรื่องของจริงนั่นอธ <c oughs> ิบายอ่าละเวีของของพระเทวทัตกลัพระพุทธเจ้าเริ่มตื่นมาตั้งอยู่นั่น คือโลกมากลมลมล่งนักมักลาบหายน่ะล่าหายแล้วเกาะเวรที่มาน่ะที่ไปขายที่อย่เมืก่อนที่จะกลับมาเอานะนะก็อยู่ในเงื้อมือเร้อนแ่ละไม่คิดว่าคนอื่นเพราก็มีเนื้อมือป้องกันหรือว่ามีเงือ้อมือแต่ตัวเองเ <c oughs> <c oughs> ขาเอาไปกินหยาบซะเรื่องเริ่งต้นเป็นอย่างนั้นมันเป็นไปได้เรื่องกรรมที่จะติดตามที่บาปสักขันเแมยท่านเป็นพระฐานแม้ทมันมจะไม่จะไม่สามารถที่เข้าสินพระผู้ดีใจแม้ท่าน ให้เป็นความเอียงๆไปตามนั้นได้ไม่มีปัญหาอะไรเท่าไหร่ถ้ามีปัญหาที่สามก็มีลงมาได้ยังก็ออใช่อย่างนั้นถ้าถือว่าคนเราธรรมดานี่ถ้าเผื่อว่าสมมุติว่าจะไปถึงชาติท้าานี่ต้องไปใช้กรรมอะไรหลักๆแบบต้องไปเจาอะไรเนีน่ย อจตกเราเป็นนักต่อสู้แล้วอะไรมาแล้วก็สู้กังหมดนั่นแหละเข้าใจไหม่ะเรานักต่อสู้วางไงตั้งแต่เรามาจากกรุงเทพมานี่อะไรที่ลถไม่ดีมันมันเสียไปตรงไหนเราก็ต่อสู้แก้ไขจนมาได้ว่างไงพอเราตั้งหน้าจะมาเราไม่ถอยเอามากระทั่งถึงนี้ได้นี่เห็นไหมล่ะเดี๋ยวเราไปถอยแล้วก็อยู่มูนเราไม่ได้มานล้วนี่มีเราแสดงว่าเราไม่ถอยใช่ไหมอันนั้นเหมือนกันเราก็ไม่ถอยมันไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละ จะไถอยไปยังไงพปัญหายังข้อนี้ไม่ถอยนี่ไปจนถึงจุดที่หมายยางแตกระเบิดไปชีวิตเรายังมีอยู่หามาใส่ใหม่ไปเรื่อยจนถึงที่จุดหมายปลายทาง ตื <esto. S 2> <interject, S 3> <ST> ่นยืนเกาะตอนบุลย์ข้าวเสร็จก right. ็ออกเดข้าวเจ็ดโมงตื่นยังเกาะข้าวเสร็จไปนักข่าเด็ดตื่นเยอะอีกไหมล่ะเยอะอีกไหมนังขาตอนมีก็เพื่อนัง มังเหลือปัญหาเหลือนนปัญหาเดียวอาจารย์ก็ข้างปัญหานี้เหมือนกันบรรลทธิ์ข า, า, าข้างปัญหาอันเดียวนี่เหมือนกันเป็นไงออกจากนี้ไปก็นอนหรือว่าไงมันเหนื่อยจะตายไปแล้วนี่นั่นหละปัญหาเดียวยังเหลืออยู่เหนื่อยนี่ยังเหลอปัญหานอนเท่านั้นเลยเพื่อตรงงานทน